ก็ช่วงชานี้ขอเชิญสมพรได้ให้ข้อคิดประสบ ก, การณ์อะไรที่จะฝากเอาไว้กับคนที่อยู่ทางนี้ก็จะนําไปศึกษาต่อไปก็เชิญครับในช่วงที่เราฟังแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยศึกษาไปด้วยนะการใช้เขาเรียกว่ามีศิละปะศิละปะในการฟังเมื่อคนฟังไปด้วยคุยกันไปด้วยนี่เราไม่มีศิละปะในการฟังแล้วก็จะขาดเราขาดเนื้อหา สาระการฟังด้วยว่าการฟังนั้นเราฟังได้แต่แตเด็กตั้งแต่คนธรรมดาขึ้นไปจนถึงฟังพระนี่นคือเป็นศิล ป, ปะการฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งของการเจริญสติเพราะคนส่วนใหญ่เราจะไม่รู้จักฟังกันมีแต่จะพูดแต่ว่าไม่รู้จักฟัง น, นี่เรียกว่ายังไม่ครบในการเป็นผู้พูดที่ดีก็ต้องด้วยการผู้ฟังที่ดีด้วยก็จะทําให้เราได้สาระทั้งสองแบบ ช, ชาวนี่เราก็จะ เชรประสบการณ์กันแล้วก็ทำจริยธรไปด้วยนะเผื่อแล้วเราจะได้สาระทั้งสองอย่างประโยชน์ในการฟังและการปฏิบัติก็ขอกราบน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบนมัสการหลวงพ่อพระมหาิีรยพุทธยานันโทกราบนมัสการท่านอาจารย์สยันค่ะแล้วก็ สเปซลี่ท่านอาจารย์เจ้าวาดเนอะนุอย mm hmm. การนมัสการที่ให้ที่อยู่อาสัยและต้อนรับนักปฏิบัติธรรมเขาอย่างดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งขนุอยจับใจหลายที่ในวัดนี้เพราะว่าท่า <c oughs> นอาจารย์พนเป็นภูอ่าเอากันานวัดวาพนี ด, ดีและสะอาดหลายขน้่ยไปหลายมองหลายทีก็จัดลิบทิดนีก็หลายครั้งแต่ ละครที่จะได้จัดริทีต์นี่ค่ะใส่เวลาต้องเป็นวันสองวันที่ทำความสะอาดและเอาเกนในครัวบ่อหรือสถานที่ใดแต่มาที่นี่นี่อาจารย์พนถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารเป็นพอเป็นแม่เป็นผู้ให้ความลุ่มลืนแก่ญาติโยมเขาได้ดีมัดท้งทุกอย่างขนนก้าพนโมทนากับท่านสาธุขนะพนเอนกน็ขอสบายดีเด้อขนยมดสุภูสุคน ดีเนาะพี่ออสก็พูดภาษาลาวก็เข้าใจดีเนาะน้องติ๊กก็เข้าใจดีเนา ะ, mm hmm. ะก็ดีแล้วน้องก็จะพูดภาษาลาวมันจะค่อยสิได่อ่าเพราะว่าภาษาไทยบางครั้งน้องก็จะเอาความสื่อสารจากการปฏิบัติมาไม่ได้หมดนะนะแต่คุณพี่เข้าใจทั้งหมดนะภาษาลาว mm hmm. ค่ะค่ะ <laughs> เริ่มต้นเนาะท่านอยากให้พูดประสบการณ์นิดหน่อยน้องก็จะพูดประสบการณ์นิดหน่อยนี่มันก็ลื่งแล้วนะภาษาลาวภาษาไทยนะไปที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยน้องก็เลยเรียนพูดภาษาไทยไปบ้างก็เลยอาจจะว่าลาวก็เลยเลยไปไทยไทยก็มาลาวก็พี่น้องกันเนาะค่ะค่ะค่ะค่ะอืม การปฏิบัติของขน้อยเนอะตั้งแต่เริ่มขน้อยกับปฏิบัติมาหลายอย่างอยู่ปฏิบัติหลายอย่างานานาตั้งแต่เล็กจนโตมากับพ่อแม่กับศาสน า, าพุทธแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าพุทธคืออะไรแต่ว่าก็ไปทําบุญนั่นแหละส่วนใหญ่ก็หลังจากที่ได้ครอบครัวแล้วกลับมาก็มาอเมริกาก็โชคดีก็ยังมีวัดอยู่ก็เลยได้เข้าวัดก็เลย พ, พ่อเป็นเป็นนักบวชว่า ง, งั้นเถอะก็เลยติดเข้าไปปฏิบัติกับพ่อปฏิบัติสายพุโทโธนี่แหละที่จริงแท่พ่อก็ทําติ่งนิ่งนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานก็ทํามาหลายปีแล้วก็ท่านก็ถือว่าท่านก็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งว่า ง, งั้นเถอะที่สอนวิปัสสนากรรมฐานแต่ตอนนี้ท่านแก่แล้วท่านก็ไม่ได้ทําก็น้องก็เลยพยายามฝึกปฏิบัติกับท่านนั่นแหละตั้งเจ็ปี เรื่องกันติง้งนิ่งก็ท่านพอไม่ได้พูดหรอกเพราะว่าคนทํายากคือเหมือนท่านอาจารย์ท่านพูดแต่ละจะทํายากที่สุดท่านไม่พูดท่านก็เลยมาเปลี่ยนเพราะว่ามาเมืองนอกแล้วคนที่นี่เนี่ยรับไม่ได้ก็ท่านก็เลยสงบนิ่งไปเหมือนเดิมก็ปฏิบัติแบบพุทโธน้องก็ทํางานกลางคืนด้วยก็ปฏิบัติพุทโธด้วยเจ็ดปีที่ว่า เจ็ปีที่น้องทําเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าน้องทํางานกลางคืนแต่ว่าก็ทําเพราะว่าหลักเพราะาตัวเองมีทุกข์มากทุกเหมือนที่เรารู้ว่าทุกกายเนี่ยนะทุกคนก็ก็ทุกอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าความเข้าใจของเราที่ทุกทุกอย่างที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยมันเยอะมากน้องไม่พูดทุกของภายนอกพูดของครอบครัวนี่แหละ <c oughs> เรา เรื่องลูกอยู่ในเมืองอเมริกานี่นะทุกอย่างมันก็แตกต่างเนาะแล้วเราก็จะเอาระเบียบของบ้านเรามาใส่กับกลูกๆที่นี่มันเขาเป็นไปได้ยากสนั้นล่ะที่มันเป็นทุกข์มากและลูกก็มีแต่คนที่โตแล้วแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ก็เราก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยากอยากให้ได้ดั่งใจของเราเนาะมันไม่ได้แต่ว่ามันก็เลยเป็นทุกข์มากแต่เขาก็กลัวกลัวแม่แต่ว่าเราก็ พยายามพูดที่สิ่งที่ดีอะไรที่ดีให้แกมันก็ยังไม่ได้ดังใจแต่ที่จริงแล้วนะนะตอนน้องเข้าใจแล้วตอนนี้มันเป็นที่เราเพราะ่เราเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนชอบสะอาดแล้วก็พูดอะไรอยากให้มันเรียบร้อยเขาทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจของเราเราไม่รู้ที่เราเนี่ยเองแต่เมื่อก่อนแล้วไปลงที่ลูกที่ผัวทั้งหมดเลยว่าแต่เขาไม่ สนใจว่าเขาไม่ทําว่าอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมิแต่เขาเขาเรานี่ดีหมดเราตัวเองก็ทํางานก็ดีด้วยก็เลยคิดว่าตัวเองเคยเป็นนายอยู่ที่นู่นก็มาเป็นนายที่บ้านมันก็เลยผิดผิดหมดน้องก็เลยรู้เลยว่าตอนเข้าใจแล้วก็เออมันอยู่ที่เรานะนะก็เลยมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ก่อนที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองก็ ที่ปฏิบัติเจ็ปีมานี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ความต่อเนื่องของน้องอาจจะไม่มีเพราะว่าอินทรีย์น้องมันอ่อนอินทรีย์น้อยมากเวลาเรานั่งนี่มันจะไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนที่เราทําอย่างนี้มันหลับคุณพี่น้องลับตลอดเลยเพราะเราก็ทําการกทํางานกลางคืนหลังจากที่กลับบ้านมาแต่มันชอบจิตนี่มันชอบเพราะมันมีความสงบอยู่ในใจเวลาเข้าไปนั่งพักผ่อนนั่งปฏิบัติมันจะ เกิดนิมิตนี่แหละที่เราที่เราที่มีความสุขน่นนะหลับตาปฏิบัติไปนี่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี่เหาะเหินได้แบบคือตัวลอย น, นนะน้น้องจะเห็นอะไรน้องก็เห็นหมดแต่เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันถูกหรือไม่ผิดแต่มันก็ชอบแล้วมันก็ได้พักผ่อนแล้วมันก็สนุกสบายแต่อย่างหนึ่งที่น้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะตัวเองมีทุกข์มากหลังจากที่นั่งสงบ ออกมาแล้วมันก็ไม่สงบมันก็ยังไปลงอยู่ที่ลูกที่ผัวอยู่เหมือนเดิมน้องก็มีความข้องใจตรงนี้ก็กราบเรียนคุณพ่อกระถามว่าพ่อทำไมหนูยังเป็นอย่างนี้นพ่อก็บอกว่า อินทรีย์เจ้ามันอ่อนลูกเพราะว่าถ้ามันอ่อนแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ลูกยังไม่ผ่านนิวรณ์เลยยังไม่ได้ไปถึงไหนถ้าลูกอยากให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงลูกต้องให้ผ่านนิวรณ์ก่อนถ้าผ่านแล้วมันจะค่อยได้ไปเป็นขั้นของท่านที่ลำดับมานั่นแหละบอกว่ามันจะเข้าไป เป็นสติปัญญาแล้วก็จะเป็นเกิดปัญญาแล้วมันเขาจะตัดเรื่องอย่างนั้นๆได้แล้วจะทํานานสักแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นว่านานหรือช้าแต่ว่าลูกต้องทําต่อเนื่องให้มันผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านนิวรณ์มันไม่ไปไหนเลยท่านก็พูดดีดีแต่เราเองนี่แหละมันทําไม่ได้คุณพี่น้องไม่ได้โทษต่าสายไหนดอกที่มันไม่ดีมันอยู่ที่อินทรีย์ของเราเองมันผ่านตรงนั้นไปไม่ได้ แล้วน้องก็เลยมาศึกษาว่ามันไม่ผ่านได้ยังไงน้องก็ทำจริงจังจริงๆนะน้องนี่เป็นคนจริงมากเลยถ้าอยากทำอะไรและอยากได้อะไรนี่ทำให้ได้เออเป็นเป็นคนที่คุมรู้น้อยที่สุดแต่มาทำงานอยู่ที่เมกาน้องได้ทำงานดีที่สุดอีกเพราะว่าความเพียรพยายามของน้องนี่นะอยากได้อะไรต้องทำให้ได้สันน้องก็เลยมาเปรียบเทียบ เห็นว่าความที่แตกต่างหลังจากที่น้องรู้ว่ามันยังเอาทุกข์ในใจนี่ออกไม่ได้เพราะเราก็รู้เนาะเวลาเราปฏิบัติมาถ้าสามอย่างนี้ยังไม่ลดนะเราวัดแทกตัวเองเราได้ว่าความโลภความโกรธความหลงเรายังไม่ลดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ถูกทางน้องก็เลยมาเห็นอย่างนั้นแล้วว่าเอ๊ะมันก็ควรศึกษานะเรานทุกข์กับเรื่องนี้มากก็เลยพอดีโชคดีที่ว่า เมื่อก่อนเราจะไปก็ยังมีความกังขาอยู่พ่อหนุนเทคแครดูแลพ่ อ, พ, อพ่อเป็นอัมพาตหลังจากพ่อก็เลยย้ายจากรัฐนั้นไปรัฐอื่นน้องก็เลยได้มาพบสายงานของหลวงพ่อเทียนสาธุที่บ้านลสัสเวกัสนะนะเป็นเมืองนรกจริงๆนะคุณพี่ทําไมจะพูดว่าเป็นเมืองนรกบ้านนั้นเป็นบ้านการพนันแล้วก็ยากที่จะมีคนที่จะ ขนเหยเข้าวัดเข้าวาอย่างเงี้ยถ้าไม่ทุกจริงจริงเขาไม่เข้าหรอกเพราะว่าที่นั่นมันมีบอลผ่อนคลายคือการพนันน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในคาสิโนแต่ไม่ได้ทําเรื่องหน้าที่ตรงนั้นหรอกน้องเป็นซูเปอร์วายเซอร์อยู่ที่ห้องอาหารเป็นคนที่ออกกินายเป็นคนที่รับแขกมันก็ไม่ได้ผิดเรื่องสินถ้าพูดพูดธรรมดานะนะแต่ถ้าเข้าใจลึกๆึลกแล้วเออมันมันออกเองมันโอเคหลังจากนั้นน้องก็ได้รู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ไปไหนความทุกข์ยังเหมือนเดิม ก็เลยโชค ด, ดีได้มาเจอสายงานของหลวงพอ่อก็เลยได้ติดตามท่านเลยก็ขั้งแรกก่อนน้องจะได้รู้ท่านเพราะว่าได้ฟังซีดีของท่านท่านพูดเรื่องสติสองระดับน้องจับใจมากเพราะว่าก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์หลายท่านที่เทศแต่มันไม่ได้สะดุดใจของน้องเลย แต่วันนั้นนะนะท่านเทศท่านบอกว่าคนเรานี่มีสติอยู่แต่เป็นสติของสติสติของสันสัตยานท่านพูดแต่น้องขอโทษนะคุณพี่น้องพูดภาษาบาลีไม่ได้เลยนะแต่จะพูดแบบข้าวๆที่ว่าเข้าใจในคำพูดของท่านได้ท่านบอกว่าคนเรานี่มีสติพื้นฐานที่เรามีมาจากต้นกำเนิดของเราที่พ่อแม่พาพูดพาสอนหรือว่าทำอะไรนี่นะเรามีมาแล้วรู้จัก หากินรู้จักหาที่อยู่อาศัยแล้วเจ็บป่วยก็รู้จักรักษาท่านว่าแล้วก็สืบพันธุ์ก็ที่เรารู้ๆกันนี่แหละแต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเหมือนกันท่านว่าโอ้ยน้องเจ็บใจเลยนะท่านว่าทําไมเอาเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์สัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นมันมีความกังขาในใจเลยน้องคิดว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อเนี่พูดแต่มันก็น่าคิดนะ เราก็มาตึกตองดูว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเราก็มีสติระดับนี้จริงๆอยากกินก็ไปกินอยากนอนก็ไปนอนอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองเอ อ, อยากได้เงินก็หาหามลุ่มหามค่ามันก็จริงของท่านแต่ว่าเออเท่านก็นยังบอกว่าละคนเราเนี่นะมนุษย์เราเนี่ยนะยังมีอีก ที่ว่ามันแตกต่างกว่าเขาคือมีแฉนทุกจะพัฒนาสติตรงนี้ขึ้นมาเป็นสติปัญญาได้และจะเอาทุกข์ออกจากตัวเองได้เออมันน่าคิดไอ้ตัวเองตัวเองนี่มีทุกข์เนาะก็เลยได้ความคิดของท่านเออมันก็เรื่องจริงโอ้ยเราต้องเข้าไปศึกษากับท่านน้องก็เลยเข้าไปวัดป่าเลยไปวัดป่าที่จะเอาคําถามตรงนี้แหละไปถามท่านเวลาไปหาท่านสาธุท่านมีบารมีมากไม่กล้าที่จะถามที่ท่านก็เลยบอกว่า ความรู้ที่อัตมาที่จะพูดออกไปหรือคำถามคำตอบที่จะออกไปมันก็เป็นความรู้ของอัตมาและยมก็ยังจะไม่ยังมีความสงสัยอยู่ดีถ้าโยมอยากรู้และอยากหายสงสัยอัตมา ก, การันตีได้ว่าโยมจะดับทุกได้ถ้าโยมทำจริงก็ลองทำดูถ้าพูดไปมันก็มันก็ยังเป็นความรู้ของอัตมาอยู่ถ้าอยากรู้แน่นอนว่าสติสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงปฏิบัติเาเอง น้องเป็นคนจริงนะคุณพี่ก็ได้รู้เลยว่าท่านพูดอย่างนั้นโอ้มันก็มีเหตุผลถ้าท่านพูดมาแล้วเรายังไม่เข้าใจเราก็ยังไม่เชื่อท่านอยู่ดีนั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าเออ๋อโยมขอกราบเลยเป็นลูกศิษย์เลยตอนนั้นเลยขอเป็นลูกศิษย์เลยหลวงพ่อแต่โยมยังทำงานกลางคืนอยู่แล้วยมจะมาสองวันทุกๆสองวันหยุดจะมาปฏิบัติกับหลวงพ่อ น้องตั้งใจจริงๆหลังจากหลวงพ่อบอกว่าทําอย่างนี้ๆก็สอนเรื่องการปฏิบัติแต่เรายัางติดพุธโธมันไม่อันนี้น้องไม่ได้เกี่ยงใครและไม่ได้พูดใครนะเพราะว่าเรื่องความติดและความเคยชินของของคนเราเนี่ยนะมันมีกันทุกคนคิดว่าตัวเองนี้ก็ปฏิบัติแล้วมันยังรับไม่ได้แต่ความทุกข์ของเรามันยังมีนี่มันมันก็ยังมีแบบบรารมีของเรามันมาวัดแทกว่าตัวเองนี้ยัง ยังเอาออกไม่ได้ที่ทุกที่ตัวทํามาเจ็ดปียังเอาออกไม่ได้อะไรอะไรก็ไปลงอยู่ที่ลูกที่ผัวทั้งหมดเลยเออมันยังมีแล้วเราควรศึกษาเออน้องก็เลยมีตรงนี้ละตรงตรงสิ่งที่ตัวเองเคยทําก่อนเออมาท่านก็เปรียบเทียบหลายอย่างแก้วใบนี้มีน้ําอยู่ถ้าโยมอยากจะกินน้ำโยมจะกินได้ไหมแก้วนี้มันเต็มอืมอยากจะลองลดน้ําเพราะว่าน้ําที่โยมมีนี่เป็นคอฟฟี่นะ่ะโลมอยาก เทสว่าน้ํานี่เป็นรถอย่างไงโยมจะทำโอ้มันมีหลายอย่างที่ท่านให้ปริศณาธรรมาโอ้มันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเราต้องปรงซะก่อนน้องก็เลยหยุดหลับตาแล้วก็มาเคลื่อนไหวแต่น้องทําจริงจริ ง, รงน้องตั้งใจสามวันแค่นั้นเองคุณพี่น้องเข้าใจรูปนามเลยแต่สาธุเรื่องเข้าใจรูปน้ํามนี่นะทําไมท่านอยากเจาะจงให้เราเข้าใจรูปนามจริงๆ เพราะว่าการที่เข้าใจรูปน้ำที่เราอ่าน iert, เราเรียนเราอะไรมาน้องก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอ่านภาษาไทยนี้ไม่ได้เลยน้องรู้ตอนที่เข้าใจแล้วว่ามันแตกต่างเราเข้าใจพูดได้ทั้งหมดแต่มันยังไม่เป็นคุณพีมันยังไม่เป็นคือเรายังไม่มีในในคุณธรรมของการที่รู้รูปรูน้ำรูปรูปทำน้ำทำเนี่ยมันยังไม่เป็นมันรู้เฉยๆที่รู้ตามทฤษฎีนนะ มันแตกต่างแต่ในสายงานของหลวงพอ่อท่านจะเน้นว่าให้เรารู้กายรู้ใจนี่จริงๆน้องเลยตั้งใจปฏิบัติอยากจะเล่าเรื่องว่าการปฏิบัตินี้ทำไมมันจะเข้าไปไปถึงไอ้เรื่องเข้าใจจริงๆนี่นะลูปนานี้น้องรู้อยู่ว่าน้องนั่งจะได้นิมิตตัวเบาลอยในอากาศอยากเห็นอะไรเห็นหมดอยากอะไรเห็นหมด แต่ทําไมมันยังผ่านไอ้ตรงนี้ไม่ได้คือคุณพี่ว่ามันยังติดอยู่มันยังไปไม่ได้อยู่คือติดพูดเมื่อคืนนี้นะมันเรื่องจริงเพราะว่ามันทุกคนน่ยแม้แต่นักบวชก็จะไปติดตรงนี้เหมือนกันเพราะจิตเราสงบมันคามันเป็นระดับของสติที่ว่าสมถะที่ว่าเยือกเย็นเหมือนน้าแข็งนะนะเวลาน้ําแข็ง อ, ออกมาข้างนอกมันละลาย น, นี่นี่เป็นเรื่องจริงมันยังไม่เป็นวิปัสนา เพราะว่าความต่อเนื่องของจิตของเรามันไปผ่านไอ้ตรงนี้ไปไม่ได้น้องรู้เลยเจ็ดปีน้องเข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าพ่อฝึกทั้งหมดหมดเลยเรื่องนี้แต่น้องมาเห็นไอ้ความเคลื่อนไหวที่เพราะว่าจิตที่จะเป็นดีพศนาในจิตเขาต้องตื่นและเบิกบานเห็นไหมท่านจะพาเราสวดตลอดที่จิตที่ตื่นและเบิกบานแต่ว่าทําไมจิตเราไม่ไม่เบิกไม่บานไม่ตื่นเพราะว่าเราไปนั่งครบนั่งทุกนั่งถึงเขาอันนี้น้องนะน้องพูดถึงน้องนะกาบขอโทษทุกๆุกคนเลย น้องกลับมาเพราะว่าตัวเองมีทุกข์มากก็ต้องมานั่งคบมันตลอดนั่งคบมันตลอดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะต่อเนื่องเข้าไปไปรู้ไปเห็นทุกๆอย่างในในร่างกายของเราเนี่ยนะหรือเห็นทุกหรือเห็นอาการเห็นอารมณ์เขายังไม่เข้มแข็งพอเขายังไม่ไปเห็นฉะนั้นน้องมาเคลื่อนไหวนี่นะทำไมมันเร็วเพราะว่าเราปลุกให้เขาตื่นเราสะสมมาดีแล้วเจ็ปีนะ คุณพี่นี่นี่ น, นี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแง่ดีที่นักปฏิบัติเราสะสมมาดีแล้วแล้วหลังจากที่เรายอมวางทุกอย่างแล้วมันเริ่มเทสน้ําเปาล่าๆเราจะได้กินแบบว่าไลู่ลดลู่อะไรของเขาเราจะแยกแยะออกได้ว่าลดกาแฟมันเป็นอย่างนี้ลดน้ําเป็นอย่างนี้น้องเข้าใจทันทีเลยหลังจากนองมาเคลื่อนไหวจิตใจมันเห็นอะไรตามความเป็นจริงเลยเห็นความทุกข์ของตัวเองว่าทําไมมันทุกข์ เรื่องลูกเห็นไหมตัวอย่างน้องทุกเรื่องลูกมันก็รู้เลยว่าโอ้เพราะว่าเราอะยังมีเราอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่อันนี้เขาเขายังเด็กเขายัางทําไม่ได้เราอยากให้ได้ดังใจแล้วมันก็ไม่ได้แต่เรายังเอาใจของเราทําอย่างเราไม่ได้มันเกิดความรู้ความเข้าใจเลยนี่การที่เข้าใจรูปน้ํานี่มันเปลี่ยนแต่น้องนั่งพุโทโธน้องก็เข้าใจนะเรื่องรูปน้ํารู้เพราะว่าพ่อบอกตลอดว่าอันนี้ยังนี้ก็เข้าใจแต่มันไม่เปลี่ยน น้องรู้เลยว่ามันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอค้ความความความถือเนื้อถือตัวความเข้าใจอะไรอะไรของเราที่มันมีคือท่านเรียกอะไรนะอาทิฐิเลยมณนะทิฐิเลยค่ะนั่นแหละมันไม่ลดมันไม่เปลี่ยนเลยน้องยังคิดว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เข้าใจตามความเป็นจริงนี่มันเข้าหลักของพิพิธศน า, าเพราะน้องทําต่อเนื่องเลยสามวันนั่นนะมัน เห็นกายเห็นใจแยกออกจากกันเลยเรายกมืออย่างนี้นะเข้าใจเลยว่ากายนี้คือสัตว์กายมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าใจเรามันไม่สัง่งมันแยกออกไปของตัวเองเลยแล้วมันเข้าใจตรงนี้มันเบากายเบาใจแล้วลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์น้องก่าบเลยนะแล้วลึกถึงคุณหลวงเข้าใจใจแต่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองเข้าใจรูปนามแต่มันรู้ออกมาในใจอย่างนี้ มันหลุดไปความทุกข์ที่ในใจที่มันไปเห็นความทุกข์ว่าเราไปเป็นผู้มีตัวมีตนกับคนนั้นคนนี้มีอาการเลยมันรู้เข้ามาทั้งหมดเลยนี่ระดับหนึ่งของเข้าใจรูปนามนะไอ้เรื่องพิธีลีตองเรื่องความรักสวยรักงามไอ้ความทุกข์ที่เนี่ยน้องเป็นคนชอบสวยมากแต่งที่สุดออกสังคมนี่ไม่แมส ก, กันกับสามีนี่ก็ไม่ได้อะไรมันเป็นคนเจ้าระเบียบว่างั้นเถอะ ยูไม่แมส์อย่างแต่ต้องเน็กไทยต้องแมส์อย่างนี้ตลอดมานี่มันทุกข์นะเรายังไม่รู้ผมนี่ทุกๆุกหกเดือนต้องดัดต้องทําออกจากบ้านลิปสติกไม่ใช่นี่ไม่ได้ออกเลยเล็บนี่ ย, ยาวทาเราเทคแคร์แขกเราต้อนรับแขกเราต้องให้ดูดีดูสวยเห็นไหมมันปิดหลังจากนั้นเข้าใจลูกนามนี่มันเห็นทุกทันทีเลยเห็นว่าทุกอย่างนี้มันอยู่ในเราแล้วเราจะแก้ไขมันได้มันออกไปตั้งแต่วันนั้นมาเลยเนาะ จำได้เลยเข้าใจรูปนามวันไหนมันปลดออกมาได้กลับบ้านกาบเท่าสามีเลยนี่มันจะต้องกาบเองด้วยใจของเรามันลดละนะไม่ใช่คนอื่นไปบอกเราไปกาบไปทำํำมันยังไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนอยู่ที่ใจของเราเปลี่ยนออกจากดีใจมาเป็นใจดีเห็นไหมมันจะคามเยือกยินของเขาเอง โอ้ยตอนนี้เข้าใจแล้วหลวงพ่อมหาดิศเพราะว่าเรามาเมืองนอกเนี่นะมาถึก อ, อยู่ในเมืองนรกทํางานกัอยู่ในขุมนรกมีแต่โลกร้อนโรคลอกพานวรกภายในเข้ามากับเราหมดเลยแขกมาแต่ต่างประเทศอะไรนี่ถึงเขาจะผิดเราก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเราต้องการแขกใช่ไหมเราต้องเดียวทุกอย่างกับเขาเลยน้องได้รู้ว่าโอ้ยธรรมะถ้าไม่ไม่มีจริงๆนี่ไปไปทํางานในคาสิโนไม่ได้หลังจากที่น้องเข้าใจอ ย, อย่างนี้แล้ว มันเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนนะี่นะน้องจะพเน่นเรื่องการปฏิบัติอีกเพราะว่าเมื่อก่อนน้องทำเนี่อยากทําก็ทําอยากนอนก็ไปนอนคุณพี่ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าเริ่มต้นเราจะเรียนหนังสือนะี่นะน้องจะเปรียบเทียบเรียนหนังสือเรามาทำํำที่โรงเรียนทั้งวัดละครูจะให้ฮอมเวิร์กเราทุกอย่างใช่ไหมการบ้านการอะไรกลับบ้านเราต้องทําน้องทําจริงๆหลวงพ่อพาทําที่วัด แต่เช้าตีห้านี่ไหว้พระเสร็จท่านก็พาทำแต่น้องพยายามจะปีกตัวเองหรอกที่ไปเก็บสาวันนั น, นะจะไม่พูดไม่คุยกับใครมันเข้าใจแล้วหลังจากที่เรามาทํากระท่านอย่างนี้กลับบ้านเราก็ทําให้ต่อเนื่องเราต้องใส่กฎของตัวเองว่าโมงนี้เราทําครัวก็ทําอยู่กับครัวหลังจากนั้นรีบให้เสร็จซะเพราะเรายังรู้ว่าอ่อนแออยู่เข้าไปเก็บตัวเองไปปฏิบัติ หลังจากทํางานมาน้องจะเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์ตัวเองตั้งสัจจะอธิฐานเนี่ยที่เข้าใจวันแรกนี่ก็ตั้งสัจจะอธิฐานนะศีลและสัจจะนี่จะช่วยเราได้มากที่สุดเลยน้องนะอธิฐานเลยจะนั่งสามสวโมงนี้จะไม่ลุกก็ไม่ลุกจริงๆนี่นี่เป็นคนจริงไอเรื่องตรงนี้แหละที่จะเข้าทําเห็นทำํำถึงมันจะเหนื่อยทั้งมันจะอะไรก็สร้างไอ้เรื่องสัจจะนี่เข้ามาครองใน่ใจเราเลย ที่จะนอนอุ้ยหลังบางข้างน้องใจมันก็บอกอไม่มีใครเห็นแล้วหรอกเก็บอารมณ์อยู่ที่บ้านน้องจะเก็บอารมณ์อยู่ที่บ้านบ่อยที่สุดเลยเอยอยังห้านาทีสิบนาทีเราเลยดาวได้มันพูดในตัวเองนะนะอุ้ยไม่ได้ผิดสิงผิดสัจจะเห็นไหมมันจะกระตุ้นเราอยู่ตลอดเลยเน้องจะทํำเอาอาริยบทสามนี่แหละยืนเดินนั่งนอนจะไม่เอากังวินเนี่ยคือคุณแม่ไกรสีท่านบอกว่ากังวินจะไม่นอนไม่นอนเวินเด็ดขาด เพราะว่ามันจะเป็นอุปนิสัยของเราเลยเพราะเราทำทุกอย่างเราต้องฝืนวันนี้ไม่ได้วันหน้าต้องให้ได้นอกจากแต่เราจะป่วยหรือเราจะเพียเราต้องดูก่อนถ้าเรากินอิ่มแล้วนอนพอแล้วแล้วก็อาการกองเราโอเคเราสู้ให้เต็มที่น้องเอาจริงๆเลยเดินหัวสัตว์ปัทวิงเวลามันแก้ไขตัวเองเวลาแก้ไขตัวเองก็พยายามนั่งแล้วก็ให้มาก นั่งให้ให้ให้เรานั่งเคลื่อนไหวนี่เขาจะไม่ง่วงง่ายหรอกคุณพี่แต่ว่าเราพยายามช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเรานั่งเเราเอ็นซีอ่อนถ้าเรานั่งหลับตาเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราไปง่วงเร็วถ้าเรานั่งเคลื่อนไหวเรามีหลายวิธีที่จะนั่งเห็นไมคุณหลวงพ่อคงจะสาธิตแล้วมีตั้งยี่สิบกว่าท่าเลยนั่งเนี่ยนะจะนั่งทับซ่อนนั่งขุเ ข, ข่าเลยเนี่ยเตรียมเลยเราทําอะไรอะไรของเราเสร็จแล้วเราเข้ามานั่ง เคลื่อนไหวเขาจะต่อเนื่องได้นานที่สุดแล้วเราจะได้เห็นอารมณ์นี้ดีที่สุดอารมณ์ของเรานี่นะถ้าสมมติว่าอารมณ์ตัวนี้ถ้าเราผ่านไปแล้วอารมณ์ของแต่ใส้คูมต่อเนื่องนี่ให้ให้มากที่จะเพ่งเผาไ อ, ไอไอตัวกิเลส ข, ของเรานี่นะที่จะเกิดไปเป็นสติประฐานที่หลวงพ่อพูดเนี่ยน้องมาเข้าใจตรงนี้เลยที่หลวงพ่อว่าอ่าถ้าสติของเราตัวนี้ทั้งไม่เปลี่ยน เปลี่ยนจากสติสันสัตยานี่ไปเป็นสติปัญญาแล้วมันจะเข้าไปเป็นสติของพุทรสงจิตนี่ไม่ได้และจะไปเป็นตัวปัญญาหรือเป็นญาณปัญญานี่ไม่ได้ถ้าตัวนี้ยังไม่ได้เราก็จะเหมือนเดิมล่มลุกคุกคานอยู่งั้นแหละก็ทุกอยู่งั้นแหละอันนี้เรื่องจริงคุณพี่น้องถูกมาหมดแล้วหลังจากที่เข้าใจลูกนามิมันเป็นสติเบื้องต้นที่เราได้รับการพัฒนาที่เขาเข้มแข็งขึ้นมาน้องเป็นคนอ่อนแอมากที่สุดครัวนี้ไม่เคยทํา แล้วก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่าพ่อแม่ก็เอาใจมากแล้วก็ทุกอย่างเราก็พร้อมนะนะตั้งแต่เขาเราเมื่อก่อนตอนนี้มันมันเข้าใจตรงนี้จิตใจมันเข้มแข็งทําครัวนี่นะก็เข้มแข็งทําเองน้องไม่เคยทําครัวแต่ก็ทําได้นี่เขาเปลี่ยนแปลงของเขาไปเองนะที่เราเข้าใจตรงนี้แต่ต้องผ่านจริงๆผ่านความ สติสัญชาตญาณที่เรามีนี่แหละต้องพัฒนาให้เขาผ่านมาเป็นสติปัญญานนี้ให้ได้ให้เข้มแข็งหลังจากที่เข้าใจตรงนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยควอมที่พิธีรีตองที่ในหัวเนี่นะเมื่อก่อนนน้องจะไหว้พระน้องไม่ได้สักเคกามเมวเทวดาเหมือนคุณพี่ว่าเน่ยนะอะไรอะไรมันก็ติดอยู่ในสมองเรา น, นี่นี่คืออุปทานน้องไหว้พระสองชั่วโมงยังไม่จบเมื่อก่อน จะสวดมนุ์ทุกอย่างสวดแล้วก็อ้อนวอนเอาเอาให้ตัวเองนี่หายพยาธิโลคารเพราะตัวเองมีโรคมากโรคทุกข์มากเลยขอไม่ได้ขอร่ําขอรวยดอกขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอให้ตัวเองนี่เหายพยาธิโลคาคิดว่าทุกอย่างต้องขอเอาอะเมื่อก่อนน้องคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนะสวดพระคถาชนบทซอนนี่นะน้องได้กับปากเลยพระยอดพระ ก, กัณไตปิฎกคาถาอุณหวิเศษโยที่พ่อเคยสวดว่าคาถาตรงนี้นะ พ่อไม่ตายจากสนามลบนะ่ะสัมนาพ่อกระสวดกระฐานติดหมดเลยเลยคุณพี่หลังฉากเข้าใจตรงนี้ไม่รู้มันหลุดไปได้ยังไงโอ้โหมันบอกว่าทุกอย่างนี้เป็นสมมติและเข้าใจเร็วด้วยหลังจากเข้าใจลูกน้ำก็เข้าใจเรื่องกานกระทาของตัวเองเลยเพราะว่าเราต่อเนื่องน้องจะปฏิบัติต่อเนื่องเลยลางานหยุดทิศหนึ่งน้องก็เข้าวัดป่าไปเก็บอารมณ์ เข้าใจสมมติแล้วน้องก็ลายงานอีกสามเดือนขอเลยนะให้ก็เอาไม่ให้ก็ออกใจมันใหญ่ขนาดเลยเข้าไปโกนผมเลยเข้าไปบวชจำพรรษาทำสามเดือนก็ได้คุณแม่ไก่สีคุณแม่สีฟองนี่มาเป็นเพื่อนท่านมาช่วยดูแลน้องเข้าเก็บอารมณ์น้องก็เป็นคนอยากศึกษาเพราะตัวเองมีทุกข์มากตั้งใจพัฒนาให้ท่านบอกว่าต้องรักษาความรูปนามนีให้ให้เขาเข้มแข็งขึ้นไปไเรื่อย ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะมันจะหย่อนแล้วมันก็จะมันจะอ่อนแอลงมาเหมือนเดิมน้องเข้าใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆเพราะว่าถ้าเราก็าเหมือนเราได้เงินแล้วเราจะนั่งกินให้หมดมันก็หมดใช่ไหมแล้วถ้าเราได้แล้วเราก็หาไปอยู่มันก็ยังคงตัวน้องเข้าใจเลยที่ท่านอาจารย์ท่านพูดวันนั้นนะท่านบอกว่าหกเดือนกลับมาทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะไรก็เยอะเห็นไหมกิเล่ อันนี้เรื่องจริงท่านมีประสบการณ์มาจริงที่จริงถ้าท่านก็ฝึกมาดีแล้วแต่ท่านหยุดท่านหยุดท่านพูดว่าท่านหยุดท่านส ง, งักไปเอาเองท่านก็เลยมาทําแบบธุระอะไรข้างนอกนั่นนะมันมันนี่เรื่องจริงอะนะน้องน้องรู้เลยว่าเราไม่ได้โทษใครหรอกเพราะว่าเราไม่ได้หาเงินตลอดเราไม่ได้หาตลอดเรามีแต่จ่ายมันก็หมดทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวนี้น้องเข้าใจทั้งโลกภายนอกโลกภายในเหมือนกันเลยธรรมะนี่ก็เหมือนกันเราไม่พัฒนา มันก็จะหย่อนมันก็จะยานทุกอย่างมันเสื่อมได้เพราะมันเป็นมันไม่เที่ยงเนาะพูดภาษาธรรมะก็คือมันเป็นคนไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันแปลงน้องเข้าใจมาฮอจุดนี้แล้วน้องก็ได้รู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันต้องได้เพิ่มเติมอยู่ตลอดต้องได้ทําอยู่ตลอดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงน้องเมื่อก่อนที่จะเอาสีต่างๆนี่ออกได้เอาเพชรนินกินดาอะไรออกได้นั่นก็ยากมากเลยเข้าใจสมมุติแล้วนะแต่ช่วยเขา เพราะว่าจิตเรายังไม่ได้เข้มแข็งเพียงพอที่จะไปยกเพชรเม็ดนี้ให้พี่สาวให้ลูกสาวให้ยังไม่ได้จะมันทําไม่ได้น้องช่วยสมมุติเลยอ่ะแกออกสอบสีนุนสีนี้เอาออกผมในลองไม่ทาไม่ดัดดูซิมันจะเป็นยังไงพอเราเห็นทุกจริงๆแล้วช่วยช่วยไปนานเข้าเราฝึกไปเรื่อยๆแต่ต้องฝึกนะฝึกทําคมรู้สึกตัวนี่นะตื่นตีสามเก้าโมงสามทุ่เนาะ หลังไม่แตะพื้นก็ไม่แตะจริงๆนะทําให้มีสัจจะตัวเองต่อเนื่องตลอดเขาจะเข้มแข็งแล้วเขาจะพัฒนาของเขาไปเองแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเองน้องเอาคอประกันได้เลยเมื่อก่อนปฏิบัติเจ็ดปีไม่กล้าตัวเองว่าจะพูดไม่หายสงสัยเรื่องพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่ตัวนี้นะน้องรู้ว่าตัวเองนี้ตายแล้วเกิดใหม่แล้วแล้วก็หายสงสัยในพุทธศาสนาจริงๆเลย เพราะพุทธศาสนาเนี่ยคือคือรู้ตื่นเบิกบานแล้วเราตื่นเราเบิก เ, เ, เราบานอยู่ข้างในแล้วมีความเมตตาพรมวิหารสีนี่เขาก็จะเข้ามาครองใจเราเลยทําเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรมันหรอกมันเปลี่ยนของมันไปเองถ้าตัวรู้สึกตัวของเราเนี่ยหรือตัวสติสัมปชัญญะเนาะที่จะเรียกกันน่ะแต่สายงานหลวงพ่เทียนท่านบอกว่าควรรู้ตัวทั่วพร้อมถ้ารู้ตัวนี้ได้สัมผัสเขาจริงๆนะเขาจะเปลี่ยนแปลงของเขาไปเองฉะนั้นละ่ะน้องจึงบอกว่าให้กําลังใจเถอะ ถ้าสมมุติว่าเรายัางเรายัางมีความกังขาอยู่ว่าเอาดีไหมไม่เอาดีไหมหรือทํำไหมนี่นะน้องคนหนึ่งบอกว่าสาธุลองดูเถอะเห็นผลจริงๆน้องนี่มีทุกข์มากมีโลคเยอะมากธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าถ้าเขาจะช่วยเรื่องทุกเรื่องร่างกายนี่นะแค่นี้นะเขาช่วยได้ทั้งหมดเลยน้องเป็นโรคตั้งหลายโรคโรคแอสมาโรคหัวใจโรคกระเพาะ อาการจี้นี่นะทุกอย่างมาักข้ายหลังก็ไม่ค่อยจะดีเราคิดว่าเออจะทําอย่างนี้หรือกินยาบําบัดมันก็ได้แต่ว่าใจในเรานี่มันยังไม่ได้มีตัวนี่นะตัวเข้มแข็งตัวรู้สึกตัวนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้ดอกเรื่องอา ห, อ า, หารนี่นะเพราะว่าเราเคยกินเคยอยาใช่ไหมเราเคยทํามาอะไรอะไรที่เราเคยทํำนี่นะ่ะท่านเอิญว่าอะไรไอ้ความเคยชินนี่นะ มันต้องกินมันต้องทำอยู่บ่อยๆเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ได้เข้าไปล้างตัวสติตัวนี้มันจิตใจเรายังไม่เปลี่ยนแปลงมันเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันเข้าไปไปบอกเราอันนี้ไม่ดีแก่สุขภาพนะมันมันถอนได้นี่แหละท่านจะบอกว่าตัวนี้เขาจะไปพัฒนาเราเองน้องก็เลยมามาเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินหลวงพ่อท่านกรสาธิตเรื่องการาโยคะอะไรเนี่ยแก้ไขตัวเองทุกอย่าง คิดว่าเกือบจะเป็น 100% ซ์แล้วเรื่องสุขภาพนะน้องไม่ได้ทันหยุดทานยาเลยนี่แก้ไขตัวเองมาเ็าเพราะความรู้สึกตัวตัวนี้แหละที่พัฒนาจากคนที่คนขี้โลบขี้โกรธขี้หลงมันก็ลดลดลง ล, ง ล, งลงมาเราวัดแทกเราได้ว่ามีอะไรเยอะแค่ไหนนี่แหละน้องจึงบอกว่าตัวเองมันแก้ไขตัวเองได้แล้วก็กล้าการันตีได้ว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้จริงๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอย่างนี้ไม่ได้หรอก ไม่ใช่ว่ า, าจิตใจว่าอยากมาเที่ยวอยากมาอะไรไม่ใช่มันทำงานที่นี้มาตั้งแต่รู้เข้าใจรูปนามแล้วเดินสายกับหลวงพ่อมาตลอดคนเดียวก็ไปไปไปทำครัวนี่นะมันใจใหญ่ใจเอาใจละพุทธศาสนาอยากให้คนอื่นมาเห็นแล้วปลดเปื้องทุกออกได้เหมือนตัวเองมันมีจังนั้นจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็บอกเลยว่าอย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้ เพราะว่าฆราวาสญาติโยมเราเนี่มันมีธุระเยอะมีความกังวลเยอะแต่ความมันไม่เหมือนพระสงฆ์ของเจ้าท่านไม่มีหรืออาจจะท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่นะท่านอาจจะมีธุระน้อยกว่าเราอย่างน้อยก็เบาบางกว่าเราเรายังมีลูกมีสามีมีงานบ้านงานในหลายๆอย่างเราทําไม่ได้หรอกอย่างท่านแบบนิ่งแบบอะไรทําแบบ ให้ต่อเนื่องได้ น, น, นานๆเ น, นี่ยท่านอาจารย์ท่านนั่ง 4, สี่ห้าสมงตัวท่านไม่โยกเยกเลยนะนี่อินทรีท่านแข็งแต่เรานี่นะสองสมมงนี้มันไปแล้วพอทบคอทาไปแล้วนี่ละน้องจังไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แต่ไอ้เคลื่อนไหวนี่นะทได้ทุกวันเลยทั้งวันเลยก็ได้เราเปลี่ยนได้หลายอริยบทแต่ขอให้ทนเขาจริงๆทำจริงๆแล้วเขาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราได้ ถ้าเปลี่ยนได้แล้วจิตใจเราเข้มแข็งได้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราไม่ทําก็ได้นะสิ่งนี้มันมันไม่สะอาดเราไม่เอามาใส่ตัวเราก็ได้นะเราทําได้เราแก้ไขได้ฉะนั้นล่ะน้องจังค่อยได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไปใส่ลูกใส่ครอบครัวเห็นไหมเราเปลี่ยนเราได้แต่เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราโกรธคนนี้เราเกลียดคนนี้แต่เราจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนใจเราได้เราแก้ไขเราได้ทุกอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ น้องบอกว่าโอ้สาถุเป็นสากลจริงๆทำได้ทุกสถานที่ทุกอาการทุกเวลาได้หมดเลยและถ้าเข้ามาครองจิตใจคนไหนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้น้องรู้ได้ว่ามันหลุดที่สิ่งเก่าๆที่น้องมีนะคือคือพิธีรีตองนี่ออกหมดเลยขวม อ, อ้นวอนหรือสัตว์อะไรนี่นะน้ำมนน้ำมันอะไรนี่มันหลุดออกหมดเลยไหว้พระ จะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดก็ได้ในใจมันจาลุกมาถึงใจถึงขนาดนี้กาบที่นี้ก็ถึงพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นจริงๆมันมันมันมันเป็นของมันไปเองแต่ให้ตัวรู้สึกตัวนี้ตัวรู้สึกตัวตัวนี้ให้เขาเป็นเป็นเองนะคุณพี่ถ้าไม่เป็นเองนี้ไม่ได้เขาก็จะล่มลุกคุกคานอย่างนี้แหละคือความต่อเนื่องแค่นั้นเองที่จะเอาความรู้สึกตัวเราไปไปเป็นเป็นเองว่างั้นเถอะจะเป็นจะสติธรรมดามาเป็นสติประฐานนี่นะ เขาต้องเปลี่ยนเองสัก่อนแล้วเราจะได้สัมผัสเองแล้วเราจะรู้เองเห็นเองด้วยตัวเราเองใครจะมาบอกว่าเจ้ารูปรูปรูปนามแล้วนะก็ยังบอกไม่ได้เมตตคูบาอาจารย์บอกเราก็ยังบอกไม่ได้เรารู้ด้วยตัวเราเองเพราะเรารู้เราทําถูกแล้วก็รู้ว่าทําถูกเราทําผิดแล้วก็รู้ว่าทําผิดถ้าทํารู้ทําผิดแล้วยังมีอีกว่าเราลดละมณทิติลงได้ไหมขอโทษได้ไหมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราได้ไหมนี่ตรงนี้มันสําคัญ อันนี้เรื่องจริงถ้าเรายังทําตรงนี้ไม่ได้ก็ยังก็ยังไม่ได้เป็นพุทธเลยนะเรานี่เป็นพุทธแค่สามัญโอขัวแค่นั้นอันเนี้ยแต่พุทธจริงๆในใจเรายังไม่ตื่นไม่เบิกไม่บานยังมีทุกข์ยังมีความโลภ ค, ความโกรธความหลงเยอะแยะอยูยยย่ยังเป็นพุทธไม่ได้เนี่ยน้องจะเขาได้แยกแยกออกได้ว่าเราเป็นพุทธแต่ประเพณีแค่นั้นเองยังไม่ได้มีเลยในะจิตใจของเรายังไม่มี เพราะว่ามันยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เรายังมีโลภก็ยังจับอยู่โกรธก็ยังจับอยู่หลงก็ยังเยอะแยะเราจะเป็นพุทธได้ยังไงพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้องเข้าใจอย่างนี้แล้วน้องก็บอกว่าเออชีวิตนี้ถวายให้พุทธศาสนาช่วยเหลือครูบาอาจารย์สาทุลางานเลยลางานนะทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองโทมอยู่นะไปกราบเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อบอกพ่อแล้วว่าจะลางานท่านก็บอกว่าลูก อินสุลังนี่นะมันใหญ่นะลูกเป็นอะไรมาเนี่นะตายแน่ๆนะลูกนะลูกเต้านี่เอาทุกเอาโทษให้ลูกนะน้องคิดในใจเลยว่าถ้าสามีโอเคแล้วน้องจะโอเคเพราะว่ามันใหญ่ถึงขนาดว่าไม่กลัวทั้งชีวิตของตัวเองที่จะตายวันตายคืนไม่สนดเลยนะคุณพี่ไปบอกกับสามีสามีว่าค่อยเลี้ยงได้เข้าน้ำซามปลาแต่เรื่องอะความจิตป่วยนี่มันก็เป็นหน้าคิดนะพ่อพูดถูกแต่น้องวะ เจ้าจะเลี่ยงค่อยได้ไหมค่อยขอกินข้าวแค่นั้นนะเรื่องเครื่องนุ่งของถือที่ที่เคยซื้อแบบใหญ่ๆเนี่ยไม่เอาเขาบอกว่าโอเคไปกราบเรียนหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อถ้าโยมตอนนั้นโยมยังช่วยค่าน้ําค่าไฟวัดเดือนละห้าสิบเหรียญหลวงพ่อถ้าโยมออกงานมาลา ง, งานมาช่วยหลวงพ่อช่วยพุทธศาสนาหลวงพ่อโยมจะไม่มีตังห้าสิบาทให้กรรมการนะหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อจะบิณฑบาตเลี่ยงสาธุเมตตาพระก็ยังทําไม่ได้ท่านว่า ดีแล้วแหละเราเข้าใจแล้วเราทําได้น้องตัดสินใจอย่างนั้นน้องก็หลาจริงๆออกมาทําอย่างนี้จริงๆเพราะว่ามันมันเห็นตัวเองว่ามันทําได้ทุกคนทําได้คุณพี่เราต้องเราต้องอยากเอาสิ่งที่เรารู้นี่ไปไปพูดไปให้คนได้เข้าใจแล้วไปช่วยนักปฏิบัติเพราะว่าทุกคนจะได้มาทําเต็มที่เราจะได้ช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยทํากับข้าวจากตัวเองที่ทําไม่เป็นก็มาทําเป็นได้จากตัวเองไม่เคย อย่างนี้ก็ทำได้มันก็คือความความเข้าใจธรรมะแล้วมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราได้นะ น, ะน้องก็เลยทำงานสิ้นนี้เลยบอกกับหลวงพ่อแล้วก็คนเดียวเขาก็ลุยเลยนะคุณพี่คนสี่สิบนี่นะทำขัวคนเดียวน้องก็เคยทำมาละมันใจมันไม่วุ่นวายใจมันจะทําแบบความสบายไม่ต้องห่วงมีสองอย่างก็ออกสองอย่างใจไม่วอรี่เห็นไหมมันมันปลดใจกับกายออกได้ทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ในคณะนี้ปัจจุบันนี้จบมีสามอย่างกินสามอย่างมีสองอย่างกินสองอย่างเรามาปฏิบัติน้องติ๊กโทรไปบอกว่าอุย้ยพี่พรมันจะอาหารเราจะดีไหมมันมีฝรั่งเนี่ยน้องหมอกไม่ต้องกังวลถึงวันนั้นเถอะมันจะเป็นเองของมันออพยายามให้กําลังใจน้องไม่ต้องห่วงเราทําอะไรอะไร ก, ก็ก็ต้องให้ไว้ใจท่านท่านเลือกไปแล้วมาทํามันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างมันก็ทําได้คุณพี่หลังจากที่ว่าเรา คือใจมันฝึกมาแล้วแล้วมันก็ทําได้ดีด้วยทําไม่มีความอาอะไรละ่ะแบบเมื่อก่อนเราทําอยู่แต่มันฝืนใจทําข่มใจทําแล้วก็ไปไปพูดไปยังข้างหลังนะ น, นะมันเคยเป็นเนาะคนเราแต่อันนี้มันทําแบบด้วยความเมตตาจริงๆเต็มใจจริงๆแล้วก็อยากช่วยจริงๆเพราะว่าสงสารตัวเองเคยทุกมาแล้วก็อยากให้คนนี้ได้เข้าใจไอ้ตรงนี้ได้ได้ตั้งใจทำเต็มที่ แต่ถ้าเราทําเต็มที่ในนะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คุณพี่น้องหลงูเพราะเทียนเอาขอประกันน้องก็บอกว่าน้องเอาขอประกันเลยก็ได้ทําเถอะแต่เราต้องเป็นคนจริงระดับหนึ่งต้องทําให้ต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่สําคัญที่สุดถ้าไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปหลุดตอนไปกินข้าวตอนไปอาบน้ําตอนเราเดินไปสนทนาปลาใสกับเพื่อน เห็นไหมทำไมทำไมสายงานขอวงพเทียนจะต้องเข้าใจลิมิตนหน่อยท่านจะให้ปลีกออกไปเก็บอารมณ์ไปปฏิบัติคนเดียวอยู่คนเดียวลองดูดูจิตดูใจเราว่ามันทันไหมเวลาบางครั้งเนี่ยนะเราไม่ทันแล้วพูดไปก่อนแล้วเรานําหลังจะไหมเคยเป็นไหยโอ้เราพูดไปแล้วมันไม่น่าที่จะพูดนะเดี๋ยวไปเสียใจคนนู้นคนนี้เห็นไหมมันมีมากเพราะว่าตัวรู้สึกตัวตัวนี้แหละคือสติสัมปชัญญะตัวนี้แหละมันไม่ทัน เหมือนกันเลยถ้าเราฝึกความรู้สึกตัวนี้ให้เขาต่อเนื่องให้เขาเป็นเองแล้วน้อยมากที่มันจะหลุดสิ่งที่ไม่ดีนะไ อ, อ, อ้สิ่งที่มันหยาบอยาบเนี่ยนะน้อยที่มันจ ะ, จะหลุดออกไปแต่มันก็จะมีบ้างเพราะว่ามันก็เป็นไม่เที่ยงแต่มันจะกลับคืนมาดูตัวเองได้เร็วมากเข้าใจตรงนี้มันจะกลับคืนมาแต่ตัวเองเลยจะเห็นความผิดพลาดบกพร่องเห็นตัวเองนี่แย่มากเลยคุณพี่ในเรื่องจริง จะไม่ไปเห็นภายนอกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อ น, นรูปไม่ดีผัวไม่ดีคนนี่ว่าเราคนนั้นว่าเรามันเห็นแต่ข้างนอกมันไม่เห็นตัวเองเข้าใจรูปนามตรงนี้ต้องรูปนามจริงๆนะให้สัมผัสจริงๆเข้ามาเห็นตัวเองเห็นตัวเองทำถูกก็รู้เห็นตัวเองทำผิดก็รู้ก็เนื่องจากที่เราพัฒนาตัวนี้แหละ แต่พัฒนาอันอื่นนะ่ะเจ็ปีน้องยังไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่รู้อะไรละแต่มันไม่ต่อเนื่องน้องรู้แล้วไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีเวลาแค่พ่อบอกว่าอ่ะแต่นั่งสมาธิสองชั่วโมงจบสองชั่วโมงแล้วก็ไปเลยไปสงบแค่สองชั่วโมงต่อต่อเนื่องมันไม่มีละใช่ไหมบางครั้งบายบางสายกลับมาใหม่ตอนเย็นมาไหว้พระสองชั่วโมงแค่นั้นจบและ วันหนึ่งมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงมันไปไหนละ่ะมันลุกออกไปหลายกว่าแท่สองชั่วโมงแล้วมานั่งนี่แหละความต่อเนื่องไม่มีน้องไม่เห็นจุบทพ้องที่พ่อพาทำนะนะเวลาไปข้างนอกน่ะเราไม่ได้กําหนดเลยโอะตอนเย็นรีบเข้ามาไหว้พระนั่งสมาธิสองชั่วโมงมันไม่ต่อเนื่องแต่อันนี้เทคนิคตรงนี้เนะี่ยท่านมาสอนให้เราทุกอริยบทเลยมันจะต่อเนื่องไปเลยแม้จะหลับอยู่มันก็ยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่เรากําหนดอยู่ลืมตาขึ้นมา มันรู้สึกแล้วมันกลับขึ้นมาดูเลยเห็นลมหายใจเห็นตัวเองจะเปิดผ้าห่มข้างซ้ายข้างขวามันรู้จะเดินข้างส่วนข้างขวาข้างซ้ายมันรู้รู้รู้ไปหมดมันก็ต่อเนื่องได้สิเวลาสติเรามีระดับหนึ่งนะอันนี้พูดถึงว่าสติเรามีระดับหนึ่งแต่ตอนเราไม่มีเนี่ยเรากําหนดเขาก่อนกําหนดจะไปกําหนดจะมากําหนดจะอาบน้ํากินข้าวกําหนดไปเลยช่วยเขาหลังจากเขาเป็นเองแล้วไม่ต้องช่วยก็ได้ตอนนั้นนะ อะไรหยับยาบนี่มันจะหลุดออกไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงน้องเห็นไอ้ไอ้ที่ควรเปลี่ยนแปลง3ามวันสามวันนี้เปลี่ยนแปลงกับเจปีเนี่ยคนละเรื่องกันเลยคุณพี่คนละเรื่องพ่อพูดธรรมะเนี่ยออกหูนี้เข้าหูนี้ออกหูนี้ออกหูนี้ท่านพูดมีแต่เรื่องปรมา ท, ทั้งนั้นนะหลังจากเข้าใจมาแล้วพ่อก็เป็นผู้หนึ่งที่อาจารย์ของวิปัสสนากรรมฐานพึ่งรู้เอง รู้ที่ตัวมีสติแล้วมีเข้าใจแล้วเข้าใจตัวเองแล้วรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นอาจารย์มีปสนาเมื่อก่อนไม่รู้พูดยังเถียงฉดๆกับท่านอยู่หลังจากที่เข้าใจแล้วเนี่ยโอคือคือคื อ, คอตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีสติขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งละฟังธรรมะจะเข้าใจเลยรู้คนนี้พูดถูกคนนี้พูดผิดทําระดับจิตยังไงไงมันก็เข้าใจของมันไปเอง โอ้ยมันอัศจรรย์มากขอให้ฝึกเถอะคุณพี่น้องรับรองได้เลยจะเปลี่ยนได้เร็วแต่ฝึกอย่างไงก็ฝึกได้แต่ว่าเราต้องวัดแทกตัวเองเราอยู่ว่าเราฝึกอย่างนี้มานานแล้วเราแปลนแปลงอะไรเราได้ไหมเราเปลี่ยนความโลภเราออกมาได้ไหมเราเปลี่ยนความโกรธเราออกมาได้ไหมเราเปลี่ยนหลงที่มันบ่อยๆนี้ได้ไหมออกได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็ตาวัดแทกเราเองได้ถ้ายังไม่ได้นี่แหละน้องมาเห็นตัวเองอย่างั้นละเปลี่ยนปุ๊บปั๊บ ขวมเลย่มแก้วตรงนี้มันมีน้ำาคอฟีไม่เอาลอะอะไยขึ้นมาให้ท่านเอาน้ำเปล่าๆให้ดื่มเลยได้น้องลองมาทุกอย่างแต่ตัวนี้นี่โอมหัตย จ, จรัจ์จริงๆน้องบอกว่าตายเกิดใหม่แล้วหายสงสัยในพุทธศาสนาแล้วชีวิตนี้ก็คิดว่ามอบให้พุทธศาสนาไปหมดแล้วทั้งตัวละขนาดโจมกระเพาะอย่างนี้หลวงสพ่อว่าเดินสายแล้วนะไป ล้มตายอยู่ในห้องน้ําดึงลากกันขึ้นมาฟื้นขึ้นมาไปเลยกับหลวงพอ่อทําถึงขนาดนี้นะคุณพี่บางที่นะไปเหมือนที่น้องพูดเนี่ยต้องหอบคลกหอบสากหอบน้ําหอบอะไรตัวเองไปเลยนะหลวงพ่อจะสอบสอบอารมณ์โอ้ยทวัดทวังแต่งกับข้าวเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าไปสันกุฏินั่นนะเนี่ยถามคุณแม่เนี่ยหอบอยากกุฏินี้ไปสันตรงนี้ท่านจะสอบทุกอย่างเลยอยากฝึกให้เราเข้มแข็งอยากฝึกให้เรา เข้าใจในจุดนี้น้องก็ไปเมืองไทยจํารรษากับท่านอีกสี่เดือนก็ไปเห็นท่านทำงานโอ้โหสาทุครูบาอาจารย์นี่นะน้องเห็นมาเยอะจะไม่เหมือนอย่างนี้นี่แล้วเราโชคดีที่เข้ามาเจอน้องติกโชคดีมากที่ได้เข้ามาเจอท่านแล้วอย่าให้โอกาสในพลาดพังไปเถอะเพราะว่าท่านตั้งแต่รู้ท่านมาเนาะ ตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าท่านท่านงานอย่างนี้สิ้นนี้อย่างเดียวตั้งแต่ท่านเริ่มเข้าใจตัวเองท่านมาน้องเข้าใจมาไปเป็นลูกศิษย์ท่านแต่วันนั้นถึงวันนี้ท่านก็ทํางานอย่างนี้ทุกคนไม่ชอบหรอกเพราะว่าหลวงพ่อจะคุมแมตเรื่องการปฏิบัติท่านเห็นคุณค่าตรงนี้ท่านอยากให้แต่ปฏิบัติจะไปสร้างวัดสร้างวาร์ท่าไม่เอาหรอกมีแต่คนไปสร้างท่านสร้างให้ท่านท่านก็มีแต่บอกให้ปฏิบัติถ้าไม่เอา ท้าไม่ได้คว้าได้ไม่ดวงตาเห็นธรรมท่านก็จะไม่รับอะไรกับเราท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านกระทาสาตีสาสามเมืองตอนเช้านะั่นนะท่านจะขึ้นเขาละเอาพระเอาโยมเอาอะไรไปเก็บอารมณ์อยู่ที่ถึงถึงถึงเขามันจะเป็นธรรมธรรมแสงเทียนท่านลงมาถึงที่นี่มาปลุกคนทั้งนี้ลงปฏิบัติข้างล่างนี้ท่านจะเดินขึ้นเดินลงไม่หนิดไม่เหนื่อย ท่านทํางานอย่างนี้ตลอดท่านทำงานหนักมากแต่ทําเรื่องช่วยเหลือให้ปุกให้คนตื่นแค่นั้นท่านจะไม่เอาอีกเรื่องอื่นน้องอยังบอกว่าสาธุน้องโชคดีมากที่อยู่ในเมืองนรกอยู่ในเมืองการพนันอยู่ในกลุ่มคนร้อนทั้งนอกทั้งในเนี่ยน้องนังได้เจอท่านน้องอยังได้เข้ามาปฏิบัติกับท่านถึงเวลาน้อยๆที่น้องได้เข้าไปปฏิบัติกับท่านน้องก็สามารถเข้าใจตัวเองได้เวลาสั้นๆเลยนะสามวัน เข้าใจตัวเองได้แก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้พัฒนามาจึงลดละตัวเองลงมาได้ก็ชิตังเมได้คือออกงานได้เพราะว่าคนเราต้องรักชีวิตนะเงินทองนี่โอเคมีคนเลี้ยงเราอยู่แต่เวลาจะเป็นจะตายนี่มันต้องกลัวตายเนาะแต่ทำไม่ได้แต่น้องบอกว่าลาทำสิ้นนี้ซะ เพราะว่าออกมาท่านที่มันจะตายมันไม่ตายนะคุณพี่มาทำงานอย่างนี้จิตใจเข้มแข็งเนี่ยใจนี้ปวโรคพยาดเราหลายหลายอย่างนะดีขึ้นมาเองทุกอย่างดีขึ้นมาเองเมื่อก่อนสียาสี่สโมงหกสัโมงในสี่ตลอดเพราะว่าปอดมันทำงานไม่ได้พูดไม่ได้หรอกน้องไม่มีเสียงเลยเมื่อก่อนตอนนี้สบายเพราะหลวงพ่อแนะนำว่าคนเรานะจะลดอะไรก็ลดได้ให้ดื่มน้ำประสวะ หลวงพ่อแนะนําตั้งแต่วันเข้าใจพุ่นมาเลยน้องก็ดื่มก็ทําทุกอย่างเดี๋ยวนี้ทําทุกอย่างเลยดีท็อกอะไรเอาน้ําปัสสาวะดื่มทั้งกินทั้งไปลิทิชคนเป็นหวัดเป็นไข้น้องไม่เป็นเลยนะไม่ติดเพราะว่าเป็นตัววัคซีนของเราเองเนี่ย น, นี่เป็นคนอื่นจะว่าเป็นเรื่องต่ําแต่ไม่ต่ํานะอันนี้พระพุทธเจ้านะสูตรของท่านพาธรำมาเนี่ยแต่ว่า ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราก็ทําไม่ได้แล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นของสปกปรกโสโครกแต่จริงๆไม่ใช่ข้างในของเรายิ่งสกปรกแต่ว่านี่มันดีมากแล้วเรามันอะไรมันดีๆแล้วก็อยากบอกกันทํำเถอะทุกอย่างธรรมะของพุทธเจ้ามีตั้งแต่อ่ามูดขูดขึ้นไปถึงสะอาดเนาะมันก็ลงไปทั้งหมดเลยแหละท่านจะเอายกขึ้นมาพูดทั้งหมดหละแต่ยังไงยังไงพี่ก็ก็พูด หลายๆอย่างเนาะก็อยากให้กำลังใจว่าสิ่งที่ได้เข้ามาพบท่านนี่นะก็ยากเนองติกวานะ่ะกลัวจะได้เจอท่านก็เกือบคนคนแล้วเนาะถ้าบุญไม่มีก็อาจจะไม่ได้เจอเลยแต่ดีแล้วได้เจอท่านแต่ท่านก็ให้บทเรียนเราแล้วหรือให้ตำรับตำราหรือว่าให้อะไรก็ได้ภาษาไทยไม่รู้จะพูดว่าท่านก็ให้วิชาเราแล้วก็เอาไปทาลองดู ก็อย่าทิ้งจะทำให้จริงนะทำต่อเนื่องจริงๆถ้าตัวนี้เขาเกิดแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาเองอันนี้พี่คิดว่าอืมเจ็ดวันนี้นะอย่างน้อยๆติ๊ ก, กเขาจะเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วแหละแต่อย่าไปคิดว่ามัน confuse นั น, นี่ไม่ต้องหรอกเอาทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยซะก่อนเพราะว่ารู้อยู่ว่าติ๊กก็ อาจจะอ่านมาอาจจะได้ฟังมาอาจจะได้เข้าใจพ่อพี่อยู่เพราะว่าอ่านได้เนาะภาษาไทยคนน้องนี่อ่านไม่ได้พี่นี่อ่านไม่ได้มันก็เลยโชคดีที่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วไปปุ๊บปั๊บเอาเลยมันก็เร็วหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราตั้งใจจริงองศก่อนทําเถอะตั้งใจเอาแต่ความรู้สึกตัวนี่แหละอย่างเดียวถ้าเขาเป็นเองแล้วไม่ต้องห่วงทุกอย่างก็จะเป็นเองและยาก ความอยากนี่เป็นอุปสรรคเนอะน้องติดถามพี่ว่าทำยังไงพี่พรอยากเข้าใจรูปนามอย่าไปอยากเขาเลยทำาควรมรู้ตัวตัวเดียวนี่แหละให้เขาเต็มแล้วนะให้เขาต่อเนื่องให้เขาเต็มแล้วเขาจะเป็นเองแล้วเขาก็จะรู้ของเขาเองคนไหนมาบอกเราว่าเจ้ารู้รูปนามแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าใจเรายังไม่รู้เองว่าเรา เ, เข้าใจรูปนามเออเฮ้ต้องเราต้องรู้เราเอง มันแค่นี้แหละต้องทําตัวเดียวนี่แหละที่หลวงพ่อพูดหลายๆอย่างก็เพราะท่านตะลอ่อมพวกท่านก็เห็นคนมันมีหลายระดับคนนี้ก็รู้นี้รู้นี้ท่านก็พยายามพูดอ้อมข้อมให้เข้าไปแต่จุดหลักของท่านก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละตัวเดียวนี้มันเป็นรากฐานของของวิปัสสนาเลยความรู้สึกตัวนี้ภาษาของหลวงพ่อเทียนนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ขอให้เขารู้จริงๆรู้รู้ละกะละรู้ละกะละเนี่ยรู้มันเคลื่อนเนี่ย ละแค่นั้นเองแต่เขาจะพัฒนาของเขาไปเองตอนนั้นหลังจากนั้นละเราจะได้รู้ เ, เองว่าโอ้มันอย่างนี้เหลอมันจะได้ออมันเกิดบ้างอ้อแล้วมันก็จะได้สบาย แล้วมันก็จะเห็นได้เห็นตัวเองได้ไม่ต้องไปเห็นคนอื่นหรอกเห็นตัวเองนั่นล่ะเห็นเราโลภล้วก็เห็นเห็นเราโกรธล้วก็เห็นเห็นเราหลงแล้วก็เห็นนั่นเห็นแล้วเราก็ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเราได้มันก็จบเราก็ไม่มีทุกข์เราไม่ต้องอยากเป็นหรอกว่าโสดาบันสกิทาคาอาณาคาอันนั้นเป็นสมมุติแล้วเป็นซื่อของเขาเฉยๆเห็นเราไม่มีทุกข์นี่ละพอแล้วเมื่อก่อนมันหน้าดําค่ำเครียดเนี่ยมันทุกข์มาก กินข้าวกับลูกยังไม่ได้มองหน้ากันเลยนะเมื่อก่อนนะ่ะคุณพี่น้องถึงขนาดนั้นนะแต่ถึงยังไงยังไงก็ก็ให้กำลังใจน้องติ๊กนะคุณพี่ออสที่อยู่มาจนจบคอร์สก็ให้ทำค่มเพียนนี่ให้มากหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่เพียนจริงๆไม่เอาค่มต่อเนื่องจริงๆนี่ยากนะทำสายไหนก็จะเหมือนกัน พ่อเขาต้องเอาความเพียรขันติเนะี่ยท่านบอกว่าอดทนแล้วก็เพียรพยายามให้เขาถึงที่สุดเขาค่อยเป็นเองเขาค่อยเกิดเองเพราะตัวสตินี่นะั่ถ้าไม่เพียรไม่เผาไม่เพ่งเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ยากก็เหมือนกันที่เราอยากนัํารวยเราหาเงินนิดๆหน่นนนอยๆมันก็ไม่ได้ฉะนั้นละ่ะอย่าท้ออย่าแทอย่าทิ้งก็ขอให้เอาไป พ, พ, พิจารณาที่น้องให้ กำลังใจเนาะที่พูดประสบการณ์บ้างอะไรบ้างผสมประสานกันมาบ้างแล้วก็ให้กำลังใจก็ให้คุณพี่แล้วก็ให้น้องเอาไปพินิจพิจารณาแก้ไขดูว่าเราควรแก้ไขตรงไหนเอาอยัางไงก็คิดว่าก็คงจะเห็นเหมือนกันนะที่ พี่ประกันเลยนะถ้าทำจริงๆแล้วก็จะเห็นเหมือนกันจริงๆนะรู้เห็นเข้าใจเหมือนกันจริงๆคือหลพอว่านะถ้าเราทำจริงนะแต่ขออย่างเดียวว่าเราเป็นคนจริงแค่ไหนเราจะรู้ได้ตรงนี้ถ้าผิดถูกก็โทรหาหลวงพ่อได้หรือว่าโทรหาพี่ได้เราก็ช่วยกันแก้ไขรอแล้วที่นี่เราก็ใจฟังทั้งหมดด้วยเป็นการให้กำลังใจกันนะแต่ตัวสัจจะภาวะนี่ต้องไปทำเอง ก็กํากลังนี้สําคัญกําลังศรัทธากําลังความเพียรกําลังสติสมาธิปัญญากําลังศรัทธาความเพียรเนี่ยช่วยกันกระตุ้นกันได้แต่กําลังสติสมาธิปัญญานี้ต้องไปทำเอาเองเนาะเอาละในช่วงเช้า ว, วันนี้เราก็ได้อาศัยสถานที่ที่อยู่ที่กินที่รับที่นอนที่อุจา ร, ปราปสวาณิอาศัยท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่ จัดการให้มานั้นในช่วงเช้านี้จะได้นิมนต์ท่านได้กล่าวปิดงานได้กล่าวให้อกว่าได้กล่าวให้สเสียรสติ